สำหรับยาสมุนไพรหลวงพ่อจรันธิตะธรร ม, มวัดอำพวันชาตะไคร้สรรพคุณแก้ปวดกระดูกปวดหลังปวดแข้งปวดขาป้องกันกระดูกผุนั่งดูหนังสือแล้วตาลายลุกขึ้นแล้วหน้ามืดป้องกันโรคไตเบาหวานคอเลสเตอรอลวิธีทาก็เอาต้นตะไคร้ล้างน้ำให้สะอาดใช้ส่วนที่เป็นต้นใบ กับรากไม่เอาหั่นตากแดดให้แห้งสนิทแล้วก็นํามาคั่วให้เหลืองหอมเก็บไว้ชงหรือว่าต้มกินต่างน้ําเหมือนน้ําชายาอายุวัฒนะสรรพคุณแก้โรคมะเร็งเลือดเสกด้วยนาวะหอรคุณก้าวรักษาโรคมะเร็งระยะใหม่ๆรักษาเอทต้องเสกด้วยคุณร้อยแปดแก้ท้องเฟ้อ หมดลูกเสียกินทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงวิธีทำเกลือทะเลเม็ดสามส่วนบรเพ็ดหันสดห้าส่วนมะขามเปียกเอาเม็ดและสางออกสับเป็นเจ็ดส่วนนำมาโครกผสมกันกินเช้าเย็นหรือว่าก่อนนอนครั้งละก้อนเท่าหัวมือถ้าต้องการให้ถ่ายกินตามาธาตุหนักเบาและดื่มน้ำตามมากๆ 3. โรคไตาวายวิธีธรรมให้ไปถากเปลือกยิ้วแดงถากขึ้นสองถากลงหนึ่งมาต้มดื่มต่างน้ำเวลาถากเปลือกอย่าถากรอบต้นต้นไม้จะตาย 4. เสียงแหบวิธีธรรมให้นำกระเทียมพริกไทยโคลกให้ละเอียดละลายด้วยน้ำผึ้งกิน 5. ตกขาววิธีธรรม นำสับปะรดทั้งหัวหมกปูนขาวสามวันถ้ายังไม่สุกหรือช่ำให้หมกต่อแลนำมาปอกเปลือกกินตามปกติหกโรคชักเส้นเลือดหัวใจเตบโรคป่วงวิธีทำนำพริกไทยเม็ดโครกให้ละเอียดใส่แคปซูลไว้นำพริกขิหนูปนใส่แคปซูลกินพร้อมกันอย่างละแคปซูลเจ็ด โรคกระเพาะวิธีทมเอากล้วยน้ำว้าดิบฝานบางๆตากแดดให้แห้งสนิทแล้วป่นให้เป็นแป้งตากกินครั้งละหนึ่งช้อนข้าวใส่น้ำสุกอุ่นแล้วดื่ม 8. เลือดกำเดาออกวิธีทำเอาใบพุทษาสามกรมือยาเข้าเย็นเหนือหนักสี่บาทยาเข้าเย็นใต้หนักสี่บาทมาต้มน้าดื่มต่างน้า เก้ามะเร็งวิธีธรรมนำลูกใต้ใบห้ากับต้นไมยราบทั้งห้ามาต้มกินต่างน้ำทั้งห้าหมายถึงรากต้นใบดอกและผลสิบโรคตับแข็งวิธีธรรมกินบอระเพ็ดวัลเจดแว่นยาวประมาณสองเซนติเมตรหรือองคุลีโดยเฉพาะคุณแม่ที่กินยาดองหลังคลอดบุตร และรักษามะเร็งหรือท้องมารต้องลงด้วยนโมพุทธายะโรคตับแข็งอีกขนานหนึ่งบรเพ็สดหนึ่งช้อนขาวเคี้ยวแล้วตามด้วยน้ำพึ่งเดือนห้าร้อนในอาเจียนวิธีธรรมใบตำลึงต้มกินหายอีกขนานให้เอายอดกระทบรกยอดตำลึงต้มกินหรือคั้นเอาน้ำกิน 12. โรคภูมิแพ้วิธีธรรมให้กินบรเพชด 13. โรคหอบหืดวิธีธรรมนำต้นตำยาแมวมาโขลกใส่น้ำซาวข้าวกรองเอาแต่น้ำกิน 14. หัวใจโตวิธีธรรมกินกระถินแล้วเอาเปลือกกับรากมาต้มน้ำาดิม 15. นมหลง ปวดนมหรือนมคัดวิธีธรรมเอานุ่นมาจุดไฟแล้วใส่ไหกระเทียมอย่าให้ควันออกเอาปากหายกดครอบเต้านมไม่นานน้ำนมจะไหลาหายปวด16บกกระเพาะปัสสาวะอักเสบปัสสาวะเป็นเลือดเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะวิธีธรรมเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้หนักสี่บาทฟ้าทลายโจร สดหนึ่งกำมือยญ้าดวดแมวสดหนึ่งกำมือรากแยาคาสดหนึ่งกำมือนำตัวยาทั้งสี่อย่างมาต้มดื่มแทนน้ำสิไข้ทับระดูวิธีทำหญ้าเจ้าชู้สามกำมือยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้หนักสี่บาท นำตัวยาทั้งหมดมาต้มน้ำดื่มต่างน้ำ18บิดหัวลูกเป็นโรคบิดระหว่างตั้งครรภ์ลูกขี้มักตายในท้องหรือไม่ก็คลอดออกมาแล้วตายวิธีทำนำเปลือกมะพร้าวอ่อนปอกผิวสีเขียวออกเอาเฉพาะส่วนที่กาบอ่อนบิดเอาน้ำ1แก้ว 2. น้ำปูนใสปูนกินหมากครึ่งแก้ว 3. เปาะหอมทั้งสามสิ่งนำมาโคลกรองเอาแต่น้ำมากิน 19. โรคลำไส้เน่าเป็นยาเทวดาวิธีธรรมใช้หม้อดินเอาเกลือมาสามก ร, รมให้กลั้นใจหยิบสามจับแล้วเทใส่หม้อ ท่านสอนให้ท่องพุทธทางปัจจักขามิหนึ่งกัมธรร ม, มังปัจจักคามิหนึ่งกรรมัมสังฆังปัจจักคามิหนึ่งกรรมัมใส่หม้อสตุกเกลือโดยไม่ต้องใส่น้ําจนละเอียดหมดแล้วปรงลงมาเอาไ ข, ข, าไ ข, ขา่ขาวไข่ไก่ห้าฟองไม่เอาไข่แดงใส่แล้วคนให้เข้ากันท่องพุทธทางปัจจักคามิธรรมังปัจจักคามิ สังคังปัจจขามิกินครั้งละหนึ่งช้อนขาวรักษาผิวหน้าไม่ให้เหี่ยวย่นวิธีธ ร, รมใช้น้ำพึ่งกับผิวมะนาวทาหน้าเป็นประจำหรือใช้ไส้ตะเกียงเจ้าพายุที่ใช้แล้วผสมน้ำมะนาวทาหน้าเป็นประจำก็ได้21ผมอ่อนสลวยวิธีธ ร, รมใช้น้าส้มมะขาม สะผม22สุขภาพตื่นเช้าแกว่งแขนร้อยครั้งเตะขาร้อยครั้งแล้วอย่าเพิ่งไปล้างหน้าดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ห้าแก้วถ้าอายุเกิน45้าปีกินน้ำต้มถ้ายังไม่ถึงไม่ต้องต้มรับรองอุจลระดีหูตึงหายปวดศีรษะซีกหนึ่งน้ำตาไหล ปวดลูกตาหายเลยทีเดียว